5. จีวระปฏะิกขะหะนะสิกขาบท 28. ถามทรงบัญญัตินิสักคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รับจีวรจากมือภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติณที่ไหนตอบทรงบัญญัตนณกรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไร